เรื่องพุทธศาสนากับการเมืองระบบประชาธิปไตยโดยพระอาจารย์สมพงโชติปัญโย่กรทำอันนำไปสูค่ความไม่รู้จักเสื่อมนั้นมีอะไรบ้างเพ่จะได้เล่าให้ฟังตอนหลังตอนนี้เรามามองพุทธศาสนากับการเมืองกันให้ชัดเจนลงไปสะกก่อนก่อนที่ เราจะได้มาพูกันในเรื่องพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมิฉะ น, นั้นมันจะแต่เข้าใจไม่แ จ, แจ่มแจ้งไี้เห็นเลยว่าพุทธศาสนานั้นเอื้ออํานวยต่อการปกครองทุกรูปแบบอาตมากล้าพูดได้เลยว่าไมอแจะคอมมิวนิสต์ไม่แต่คอมมิวนิสต์ถ้ามาเอาหลักของพุทธศาสนาไปก็จะบูชาสุดกล้าวสุดหัวเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึง ประชาที่ประายหรือไม่ตรงกลาทถึงพวกทุนนิยมเอาทั้งหมดนั่นแะผู้าสนาเนี่ยเป็นเป็นมิดเดิลเวเป็นทางสายกลางยืนอยู่ตรงนี้มองสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงแบบชาวพุทธคือและผู้รถ้าหากท่านเดินทางเข้าไปในแวดแฟนที่ปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินองคเดียวเผด็จ ก, การเมืองเดียวพระองค์ก็จะไม่พูดว่าการปกครองอย่างนี้มันไม่ดี ควจะได้คนอื่นเล่นหลายคนมาช่วยบริหารประเทศชาติการกระทำอย่างนี้มันเป็นการผาดเด็กการเป็นการใช้อำนาจของตนเองฝ่ายเดียวมีโอกาสผิดพระองค์ก็ไม่พูดอย่างนั้นพระองจะบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันพงจะบอกว่าอย่างนี้ก็ดีถ้าปกครองโดยระบอบพระราชาคนเดียวเป็นใหญ่หรือวาราชาที่ประไตยพระองค์ก็บอกอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน แต่ให้ต้องมีทำคือท้สภิตราชธรรมสิบประการเรื่อ ว, ว่าทำของพระราชาสิบประการถ้ามีทำสิบประการนี้การปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระมหากษัตริย์องค์เดียวเนี่ยก็จะอย่งางไพภวา่านาประชาราชประสงค์มีกรภายใต้เมืองอยู่คนบาทข้อเกลัันทสีมาหม่นทนได้รับแต่วความสงบร่มเย็นแล้วก็จะเป็นที่เคารพเทอดทูลบูชาสวามิภัก ของไ่ฟ้าอาณาประชาราชความรักจะไม่จืดจงางลา้างราสลายไปจากความรู้สึกของมวลมหาชนถ้าหาปกครองโดยมีหลักทัศพิตรราชธรรมแต่ถ้าหาปกครองโดยพระราชาหรือว่าพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีทัศพิตรราชธรรมแล้วพังเวัา น, นั้นพังแน่ๆทีะ อ, อง์ก็ บ, บอกเนี้ยที่นี่ หันมามองดูการปกครองของพระ อ, องค์เองในเมื่อพระ อ, องค์ได้สถาบัาสังคมของพระ อ, องค์มาเรียกว่าสังคมสงฆ์คือการปกครองพระสงฆ์ซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีการปกครองของพระสงฆ์จะไม่ใช่แบบนั้นจะไม่เป็นแบบการปกครองของทางบ้านเมืองทั้งที่เป็นราชาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยแต่พระ อ, องค์กับปกครองโดยอาศัย ทำมาที่ปไตย์เอาทำเป็นใหญ่พูดง่ายว่าความถูกต้องที่ดีงามของการอยู่รวมกันถ้ามองให้ลึกๆ ล, ล, ลงไปก็จะเห็นว่าถ้ามองในสายตาของนักการเมืองสมัยปัจจุบันนี้จะเห็นว่าพระองค์ปกครองคณะสงฆ์นี่เหมือนคอมมิวนิสต์เฮ้ยเพ่อย่างนี้จะตกใจเป็นคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เอาสิคอมมิวนิสต์ยังไม่ติดฝุ่นพระพุทธเจ้านะ การปกรครองขันสง์เนี่ยอย่างสมมติว่าภาพพิสูจเนี่ยมีจีวอเกินสามผืนเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยเรียกว่าอติเลขจีบอลเนี่ยไม่ได้เป็นสิกขาบทแรกที่พระองค์ส่งข้ามไว้ในจีบอละวักแห่งนิสกีปาจิตตีกันพิสูจทรงอัติเลกจีบอลอติเลขตาจีบอได้ที่สิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงสิบวันไปนแล้วต้องนิสกีปาจิตตี คือเก็บไว้เกินเกินจํานวนเกินโคอตาจํานวนเนี่ยสามผืนเนี่ยเกินสิวันไปต้องอับัลนิสคีนิสขีบาจิตีเธอต้องสละออกไปแล้วผ้าจํานวนนั้นต้องเอาไปไว้เป็นของกลางที่เรียกว่าพันธาคาริกหรือผู้เป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเอาไปไว้ที่คอมมูนไว้ส่วนกลางคนอื่นคนใดไม่มีขาแขนมาก็จะได้อธิฐานขอใช้เรียกว่าเอาไปไว้เป็นส่วนกลาง ไม่มีอะไรที่จะเป็นส่วนเฟอไม่มีอะไรที่จะเป็นส่วนเกินในลักษณะเช่นนี้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าพิสุธทธิธรรที่อยู่เองอย่างท้ามกุฏิเนี่ยคือไม่ใช่โย ม, มาทำให้นะไม่ใช่โย ม, มาเป็นเจ้าภาพทำคือพระเนนจะทาเองจะทำเอ ง, ท ำ, เองทำอยูนะ่จะต้องมีพิกัดเรียกว่าต้องมีลิมิตกันยาวสิบสองคือประสุคดกว้างเพียงเจ็ดคืบ สิบสองคืบลองคิดดูมันแค่ไหนเจ็ดคืบลองแค่ไหนเอาง่ายๆว่าคือพระสุโคตคือพุทธเจ้าถ้าถ้าคิดว่าจะยาวกว่าเราทุกวันนี่ก็คงไม่เกินฟุตหนึ่งตีสว่ากว้างสิบสองฟุตยาวเจ็ดฟุตนะแล้วก่อนที่จะทํานั้นต้องให้สงทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนะแสดงที่ให้ก่อนมาเห็นเหมาะสมตรงไห น, นเนี่ยถ้าไม่ให้สงบอกให้ก่อนทําโดยตัวเองแล้วก็ทําเกินประมาณดังกล่าวแล้วเนี่ย ต้ อ, อาบัสังขารที่เศร็จตัวใหญ่ทุงสิ่งทุ่อย่างจะต้องอยู่ที่ความพอดีพองามไม่มีอะไรที่เป็นส่วนเฟอ้อไม่มีอะไรเป็นส่วนเกินแล้วยิ่งมากกว่านั้นลึกไปมากกว่านั้นในแง่แห่งธรรมอันนี้ในแง่วินัยนะเนี่ยในแง่แห่งธรรมต้องเห็นว่าแม้แต่ตัวเราเนี่ยทาตุมัตะโกเป็นสักวะท่าตามธรรมชาติ นิสตโตไม่ใช่สตวอันยั่งยืนนิชิวไม่ใช่พิชิวอันแท้จริงสุญโยว่างเปล่าจากาาความหมายแห่งความมีตัวตนว่างว่างว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนแห่งความรู้สึกยึดมั่นหรือมันว่าเป็นเราเป็นของเรามันยิ่งกว่านั้นที่คอมมินิต ย, ยังต้องว่าเป็นของพรรคคอมมินิตเป็นของพรรคของเราของประเทศชาติของเรานี่ไม่มีลึกลงไปยิ่งกว่า น, นั้นนั่นแหละการปกครองของพระองค์เป็นอย่างนั้น ที่นี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพุทธศาสนานั้นเอื้ออำนวยการปกครองทุกรูปแบบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นแคปิทัลลีสไม่ว่าจะเป็น ist, เดโมแครตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลิมิติสมนาคีอะไรก็แล้วแต่เถอะได้ทั้งนั้นแต่ขอให้มีทรรมอย่างถูกต้องแต่ถ้าปกครองโดยพระราชาต้องมีรรมทศพคติราชธรรมนะถ้าหากไม่จะมีอย่างนี้อยู่ไม่ได้นะพัง ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสันธาร์านจกต้องมีทมอย่างนี้คืออภริหาริยธรรมข้าไมมีและพังที่นี้เรากำลังแกพูดกันในเรื่องพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้เราจะต้องมองลงไปได้เลยว่าเรานั้นน่ะทั้งมีระบบรัฐสภาแล้วก็มีพระมหากษัตริย์อีกด้วย เรายิ่งจะเป็นจะต้องทำความศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะนี่ให้มากคือระบบ p o l i t i k a l แ y s e ของพระพุทธเจ้าระบบการเมืองของพระพุทธเจ้าเนี่ยิย่งเช่นั้นแล้วมันก็พังกันแหละอันนี้อยากจะโยงให้เห็นว่าพวกเราทุกวันเนี่ยเราปกครองกันโดยระบอบนี้คือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นบระมุก และเราจะต้องมีทมโดยเฉพาะนักการเมืองที่เราเรียกว่าผู้แทนราสดอดเนี่ย <c oughs> ในนี้คนไทยของเราห้าสิบสามล้านกว่าคนนะห้าสิบสามล้านสามแสนคนตามสถิติที่สำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องไงเนี่ยมหิดลเรื่องไงเนี่ยประมาณกันเลยเล่ะ <c oughs> ห้าสิบสามล้านกว่าคนนี่เราได้เลือกตัวแทนของเราขึ้นมาแต่และจังหวัดจังหวัดเรืยอว่าเป็นหัวกะทิเป็นยอดมนุษย์ของจังหวัด น, นั้นว่ากันเถอะเขามันรวมกันได้มาทั้งหมดสามร้อยกว่าคนทั้งประเทศและในจํำนวนสามร้อยกว่าคนเนี่ยจะต้องมีทำเจ็ดประการต้องเรียกว่าบริหารนิยธรรมทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวสำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง มีอะไรบ้างหลายลองคิดดูหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทํากิจที่เกิดขึ้นที่จะต้องกระทํานั้นสามไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ก่อนอันขัดต่อหลักการเดิมแล้วก็ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วตามหลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามธรรมะหลักการนั้นตามที่ได้วางไว้เดิม ทีนี่ก็มาข้อที่สี่ท่านเราได้เป็นผู้ใหญ่ในชนพูดง่ายว่ายัางท่านประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่เป็นผู้ใหญ่เนะี่เป็นผู้ใหญ่ให้ความเคารพถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรที่จะรับฟังห้าบรรดากุรสตีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยไม่ถูกขมเหงหรือฉุดฆ่าถืนใจพูไงายว่าข้อนี้จะต้องรักษาพวกผุดหญิงเด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่แสนจะเป็นห่วงนักห่วงนาไม่ให้ถูกการฉุดฆ่าขมคืนกระทำชำเราฆ่าแล้วขมคืนหรือขมคืนแล้วฆ่ามันเป็นการเหยียบย่าหัวใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่จนไม่สามารถจะไว้วางใจ รัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองว่าให้ความคุ้มครองสวัสดิการความสงบความปลอดภัยแก่ชีวิตแก่ทรัพย์สินของเขาไม่ได้ในข้อนี้มันเน้นไปตรงนี้่วงข้อที่หกก็ให้เคารพสการบูชาเจดี JD. หมายถึงปูชนียสถานปูชนียวัตถุตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆในประเทศชาติเป็นของประจำชาติทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให ทำไม่กับพี่ที่เคยให้เคยทําแก่เจดียเหล่านั้นเสื่อมทามไปข้อนี้เน้นไปที่ให้เราเคารพอนุสาวรีย์สัญลักษณ์ศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษผู้ที่เคยทําประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมท่านมีอะไรเป็นคุณงามความดีที่เราได้รับประโยชน์จากท่านแล้ะเราจะสะท้อนมาถึงพวกเราว่าจะทําอะไรต่อไปให้ลูกให้หลาน อย่างในเมืองสกลนคร อ, อย่างเงียบเขารบพระธาตุเชิงชุมพระธาตุนาลาเจิงเวงพระธาตุผูเพกแล้วเป็นนั่งพิจารณาถึงบุคคลที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสร้างบานแปงเมืองขึ้ น, นมาความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนนี้เกิดขึ้นมีได้ก่อนสมัยเทคโนโลยีก่อนสมัยเครื่องจักรกลอิมพลิเมนต์อะไรต่างๆจะมาช่วยก้อนหินใหญ่ๆอย่างผูเพกอย่างพระธาตุเจิงเวงเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเขาทาได้ยังไงเนี่ยแล้วมันจะสะท้อนถึงความรู้สึก ว่าพวกเราอยู่กันยังไงข้อที่เจ็ดจับให้ความอาราขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายอันนี้ก็หมายถึงบรรพชิตผู้ดํารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไปโดยตั้งใจว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาก็พึงมาสู่แว่นแคลนที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคลนนี้โดยผาสุกอันนี้พูดถึงหลักการก่อนสมัยนู้น เดี๋ยวนี้ก็คงมุ่งหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามมีศิลาจารวัตอันงด ง, งามมีความรู้ความสามารถประกาศสัจธรรมทำตนเองให้เป็นประโยชน์ผู้ในคนฟังทำให้คนดูอยู่ให้คนเห็นชี้ทางขอออกบอกทางถูกอันนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี้ควรละนี่ควรจะเลิญให้เกิดให้มีใิจิตในใจในสังคม บุคคลพวกนี้ต้องให้ความคุ้มครองป้องกันอันชอบทําสนับสนุนท่านวิฉชนั้นแล้วท่านผู้ดีเหล่านี้ท่านจะอาจจะทิ้งสังคมนี้เสียเห็นว่าสังคมเมิรไม่ความสนับสนุนท่านก็จะทิ้งสังคมเอาตัวรอดไปนคนเดียวลักษณะเช่นนี้มันจะต้องเป็นพันธสัญญาเติบโอเป็นลูกโซ่นี่คือลักษณะอริหานิยธรรมการปกครองที่ใช้ระบบสันทาคาหรือว่าระบบ รัฐาาสภาลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวนี้ยอดคนของเราแต่ละจังหวัดอย่างสกลนครของเรานี่ก็มียอดคนอยู่หกสองเขตเขตละสามและทั้งประเทศก็มีสามร้อยกว่าคนเรียกว่ายอดคนของห้าสิบสามล้านนี้ยอดคนเรานี่มีทํเจ็ดอย่างนี้ไหมยอย่างข้อแรกมันประชุมกันเนึ่งนิดเนี่ยเปิดรัฐสภ า, าประชุม สามัญหรือว่าประชุมวิสามัญนเรื่องรีบด่วนจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอะไรต้องรีบหมัดประชุมสองพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงจะทำเพียงข้อ น, นี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเดนนี้ยอดคนของเราที่ได้เลือกไปเป็นตัวแทนของเรามีการประชุมกันเนืองนิดไมน า, นานจะประชุมทีก็ต่างหน้าต่างๆ ที่จะทะเลาะ ก, กันนะแล้วก็พอประชุมก็ไม่พร้อมเพียงกันแหละไม่ครบองค์ประชุมฝ่ายหนึ่งมาพร้อมฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมวอล์กเอาจะโว้เสียงจะทําอะไรแต่ละครั้งเดินเที่ยวหากันวุ่นไม่ไปประชุมกันพร้อมเพียงกันประชุมไม่พร้อมเพียงกันเลิกไม่พร้อมเพียงกันทํากิจที่เกิดขึ้นขี้เกียจแม่กระทั่งที่จะประชุมไม่พร้อมเพียงกันหรือบางทีจะโว้ตเสียง เข้ า, <ว>าห้องน้ำทีละสี่สิบสามสิบคนอะไรทานองนั้นมาเกิดจำเป็นอะไรขึ้นมาตอน น, นี้ี่ลักษณะเช่นนี้ประชาธิปไตยของเรามันอยู่ตรงนี้แหละฝ่ายนักการเมืองก็ขาดทำเจ็ดอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ครบเทิมสี่ปีนั้นยังไม่เคยครบ2องพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเปลี่ยนแปลงมาจนถึงบัตรนี้ห้าสิบห้าปีมาแล้วครบแล้วเข้าห้าสิบหกแล้ว ยังไม่เคยครบเทอมสี่ปีสัทีต้องล้มละลายตอนเลือกตัง้งต้องยุบสหภาต้องอะไรต่างๆเพราะมันขาดเสิ่งเล้วนี่แหละขาดทำดังก่าวมันแล้วท่านเราได้เป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชีอย่างที่ผู้จารณ์พูดคือหมายถึงว่าผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยให้เคารพท่านผู้นั้นถือทอดคำของท่านผู้นั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรรับฟังไม่มีสมัยใดอีกแล้วที่ บุคคลจะดูถูกรัฐมนตรีเท่าสมัยนีย้แต่ก่อนนต้องเคารพนะครับถึงมากแต่เดี๋ยวนี้ผู้แทนก็ไม่เคารพรัฐมนตรีไม่เคารพรัฐสภาไม่เคารพประธานสภาท่านประธานสภาที่เคารพเสียงพูดว่าอย่างนี้แต่ฟังคําพูดว่าอย่างนี้แต่ฟังเสียงพูดกัดฟันพูดเหมือกับต่าวาดควายมันจะแสดงว่าเคารพได้ยังไงที่นี่เราเก็เ ด, ด้ทีนี้บรรดาภุสษตรีกุมารีทั้งหลาย ให้ยู่ดีโดยไม่ถูกขมเหงฉุดข่าขืนใจกระทาชำเราฆ่าขมมลืน ข, มข่มลืนแล้วฆ่าเดี๋ยวนี้มีไหมละ่ะว่าาวะกันไปตามๆกันในห้างสรรพสินค้าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในรถเมห์หาความปลอดภัยไม่ได้กับผู้หญิงเอาไปอามาเดี๋ยวนี้มันกันเลยไม่มีหลักประกันทางนี้ตายเป็นการฆ่าการอะไรไปแล้วพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ ลักษณะเช่นนี้ถ้าเราจริงจงจริงใจที่จะแก้ไขกันมันคงจะแก้ไขกันได้เดี๋ยวนี้เราอย่างเรื่องสถานเลิกลมต่างๆนั้นเป็นเครื่องปุกเราความสํานึกทางเพศอะไรต่างๆก็ให้เด็กในจิตแตกใจเพรแล้วคนยากคนจนไม่มีทางที่จะเล็งเลี่ยงไปทางอื่นเพราะว่าการทําลายศีลธรรมมันมีอยู่ทั่วไปทางภางเหนือนี่ถึงขนาดว่า เรียนจบชั้นประถมปอกหอกแล้วกอเตรียมเข้าเรียนต่อเรียกว่าเตรียมสงขาเตรียมหาดใหญ่หึ่งเพื่อทั้งเสียกันเรียนได้กันด้วยอต่างๆกุลสตรีเรียนจบชั้นประถมก็เตรียมเข้าโน่นเตรียมสงขาเตรียมหาดใหญ่กลายไปเป็นโซเพนีส่วนผู้ชายก็ขายแรงงานขายในบ้านไม่ได้ก็ขายไร่ขายนาไปโน่น ตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไม่มีอ่าสิทธิไม่มีการคุ้มครองพื้นฐานทางสิทธิมนุษยชนบทีทำงานห้าเดือนหกเดือนเจดเดือนแปดเดือนไม่ได้เงนินทุกอยากลำบากนั่งกินน้ำตาใครและเป็นคนเทคแคร์พวกเราเนี่ยเห็นม า, มากม า, กายกายกองและสาชานนี้แหละจึงก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในสังคมในคราร บ, บูชา สการบูชาเจดีย์ตลอดทั้งปูชนียวัตถุอนุสาวรีย์ต่างๆทั้งภายในภายนอกลักษณะเช่นนี้ก็ดังกล่าวแล้วให้คำหนึ่งเดวนี่เราทำกันอย่างนั้นอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ความมรักขาวคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายหมายถึงว่าบรรพชิตผู้ดำรงทมเป็นหลักแก่ของประชาชนทั่วไป เราจะต้องให้ความคุ้มครองอัลคาและสนับสนุนท่านในนี้ถ้าผู้ประพฤปฏิบัติตรงต่อสิตต่อธรรมมันกลับไปขัดใจกิเลสบวกคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รับความสนับสนุนเท่าที่ควรแต่ถ้าใครให้อาบายย่ามุกมอมเมาบอกเลขบอกหวยเดลฉานวิชาอยู่ทำยังไงจะดัง ต้องไปออกหนังสือลองข่าวตนเองหาเรื่องหเล่ า, ลาให้มันดังจนช่างเหยียบตายนั่นนหละลักน์กระดาเช่นนั้นแ่ะสนับสนุนกันดีเป็นอย่างนี้หรือไม่เช่นนั้นก็เข้าไปดังอยู่ในเมืองสแสวงหาเครื่องราชกอบโกยแล้วก็สนับสนุนกันจนในที่สุดก็จะรู้ตัวได้ก็อาาสายเสียแล้วผู้ที่ดำรงอยู่ในธรรมเป็นหลักใจของประชาชนผู้ให้ ประชาชนฟังทำให้ประชาชนดูยู่ให้ประชาชนเห็นอย่างเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เบี่ยวคันเพาลนจิตใจยอย่างเป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างเป็นผู้ไม่เะเยอทะยานลินหลนยิย้วแยงตะแคงหาเหมือนชาวบากลับสังคมไม่ยอมรับเมินหมางไปลักษณะเช่นนี้นี่ผู้มีธรรมที่เรียกว่าทาบริหาริยธรรมปกครองแบบนี้มันต้องมองอะไรแงนี่เดี๋ยวนี้พวกเราไม่มีอย่างนี้โดยสมบูรณ์แบบมีก็ท่อนกระแถน ไม่ใช่ว่าไม่มีเส้นเลยมีเนื่องมันมีกระท่องกระทันแล้วมันก็ไปไม่รอดเหมือนรถมันมีสี่ล้อไอ้สามล้อมันมีมีลมอีกล้อหนึ่งมันไม่มีมันก็วิ่งลงถนนไปหรยอ ว, ว่ามันมีสามล้อมันก็กไปไม่ได้มันต้องมีทั้งสี่ล้อนั่นแหละเพระาะท่านผู้ช่วยท่านจัดไ้เจ็ดข้อนี่แหละสมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับนักการเมืองที่ปกครองโดยประชาธิปไตยเป็นหมู่เป็นคณะเอาทีนี้เราไปมองดูพระเจ้าราชัวร พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์สมบูรณ์แบบมากมันบางเอิญที่ส่วนในประเทศไทยเรามีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นป่ามุกแล้วเราก็ถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติและธรรมบัญแห่งการปกครองพระราชณาจักรไทยทุกๆฉบับเนี่ยเซนรับรองพุทธศทาสนาเป็นศาสนาประจําชาติตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมานั่นแหละเอาง่ายๆตามหลักสิราจารึก ที่นี่ในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวเนี่ยพระองค์มีคุณธรรมสิบอย่างอย่างสมบูรณ์มีอะไรบ้างทำสิบอย่างเนี่ยมีทานการให้การสละทรัพย์สิ่งของบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราชนและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อันนี้พระองค์ได้ทําอยู่เป็นประจําจนผู้เรียกว่าพระองค์เป็นพระราชาที่ยากจนที่สุดทางทรัพย์สมบัติเพราะพระองค์ทําแต่ประโยชน์แก่ประชาราชน ข้อสองสิลความประพฤติดีงามสํารวมกายวาจาประกอบแต่การสุดจริตรักษากิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่างและก็เป็นที่เคารพนับถือของประชาราชนมิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลนข้อนี้พระองค์มีใครตําหนิได้บ้างเราทําได้อย่างพระองค์ไหมพระองค์ทำได้ดีที่สุดแล้วสี้ยวข้อที่สามปริจารัก การบริจาคศีลสละความสุขสำราญเป็นต้นตลอดจนชีวิตของตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสุขส่วนตัวพระองค์แทนที่จะบันทมกเกษมสำราญในพระบรมมหาราชวังเปล่าเลยพระองค์ต้องขึ้นเขาลงห้วยถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตยอดเขาเกาะแก่นเพื่อประสงค์ในกรของพระองค์ศีลสละความสุขคงอดทนทุกอย่างสมบูรแบบข้อที่สีอาชวะ ความซื่อตรงซื่อตรงทรงสัต ร, รัยมายาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนชนิดที่ว่าให้เรากินแหนงแข่งใจอะไรต่างๆพระองค์เปิดเผยซื่อตรงอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เห็นได้ว่าพระองค์ทําเพื่อชื่อเสียงเกียรติแต่พระองค์ทําเพื่อพระศกในกรของพระองค์อย่างเนี้ยขดีหามัถวะความอ่อนโยนมีอัตถ า, ายาใสไม่เย่อหยิ่ง หยาบคายกระด้างถือองค์มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวนลละมุนละไมให้ได้ความรักพักดีแต่ไม่ขาดความยำเกรงเพราะองค์อ่อนโยนจริงๆผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านนอกหน้าเหีย่ยวเหียวหนังยน่ยนย่นพระองค์น้อมองลงไปจับต้องมือสัมผัสรูปไหลโดยสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมจึงก็ให้เกิดความรักพักดี แล้วก็ยังเปลี่ยนอีกดวยสัวข้อที่หกตะปะแปลว่าความทรงเดชคือแผ่เผากิเลสตัณหาไม่ให้เข้ามาครอบงำยับยีจิตสงับยับยั้งข่มใจไว้ได้ไม่ยอมให้หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสําราญและความปลนเปลืมมีความเป็นอยู่สม่ําเสมอหรืออย่างสามัญโม่งมันแต่จะบําเพ็ญเพียรทําจิตให้บริบูรณ์ใครทําได้เหมือนพระ อ, องค์เผ่ามาอย่างนี้ ไม่หมกมุ่นกับความสำราญแลือความปลนเปล่แทบจะพูดได้ว่าจะหาพระมหากษัตริย์องค์ไหนได้แล้วเหมือนพระองค์พระอาคาเมห์ีิราชีดีพระองค์ก็มีองค์เดียวอย่างนั้นไม่มีฮารเล็มมกษัตริย์ทีเ่เพื่อจะปลนเปลือยความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสามัญนะข้อที่เจ็ดอโกทะความไม่กด คือไม่กิ้วกาดรู้อำนาจความโกรธจนเป็นเหตุให้เกิดวินิจฉัยความและการกระทําต่างๆผิดพาเสียธรรมมีเมตตาประจัญใจไว้ระงับความเครื่องขุนวินิจฉัยความและการกระทําการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าไม่โกรธเนี่ยคือถ้าโกแล้วมันทําอะไรไม่ถูกมันจงตามทําตามอำนาจความโกรธอย่างว่าความอะไรต่างๆมันก็ว่าไปตามอำนาจความโกรธแต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินในทรงว่าความเองตัดพินอะไรเองได้ แต่เดนี้พระองค์ก็ยังมีธรรมพจน์นี้ไม่สอแววแห่งความกืดกดออกมาณที่ใดเลยขอ้ยอที่แปดวิหิงสาความไม่เบียดเบียนคือไม่บีบขันกดขี่เช่นเก็บพาสีขูดรีดหรือวักเกณแรงงานเกินขนาดไม่ลงลเริงอํานาจขาดความกรุณนาะหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาญาแกปัญชาราผู้ใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกิดชัก <c oughs> ข้อนี้ก็สําคัญพอสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินมี อิทธิพลมีอำนาจเต็มแผ่นดินถ้าเกิดมีการเบียดเบียนคือไม่พอใจใครและระวังให้ดีจับมาฆ่าสั่งฆ่าได้อาฆาาเกลียดชังแต่พระองค์ไม่มีอย่างนั้นไม่มีเลยมีแต่ให้อาภาัยทั้งนั้นนี่ลโทษกรรมทั้งนั้นใครจะมินใครจะอะไรพระองค์พอรู้เข้าเอาแล้วนี่ลโทษออกอยุ่เรื่อยเลยพระองค์นี่เป็นอย่างนี้ขันติความอดทนอดทนต่อ ง, งานที่ตรากตรำถึงจะลําบากยากกาย น่านเหนื่อยหน่ายเพียงไรก็ไม่อถอดถอยถึงจะถูกยั่วถูกยันด้วยคําเสียดสีถากถางอย่างใดก็ตามไม่หมดกําลังใจไม่ยอมละทิ้งกรณีที่บําเพ็ญโดยชอบทำหางใครเหมืนอนพระองค์ได้ความอดทนน้ําท่วมไปไฟไหม้ไปในเขาในป่าในดอยไปอดทนมากนะพงแล้วคนอื่นดูถูกยั่วยันด้วยเสียสีถาถังต่า ง, ๆ, าง ๆ, ๆอย่างไรก็ตามไม่เคยหมดกําลังใจไม่ยอมละทิ้งกรณีที่บําเพ็ญโดยชอบทำ ข้อสิบอวิโรธนะความไม่คลาดทำไม่สอบพิรุษวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ไม่มีความเอ็นเอียงหวันไหวเพราะร้อยคําที่ดีร้ายลาบสกระหรืออิทธารมอนิทธารมใดๆสถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดีนิติธรรมคือความเป็นระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไปนี่ ในหลวงของเราท่านมีอย่างนี้อยู่แล้วสมบูรณ์แบบทีนี่บ้านเรามันเป็นอย่างเนี้ยมีทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหากษัตริย์แล้วก็มีผู้แทนราษฎรในรัฐสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีทำเจ็ดอย่างนีกว่าบริหารนิยธรรมทุกคนในใจแต่พระบาทส ด, ดพระเจ้าอหัวของเราท่านมีทั้งสภิราฐจะทำอยู่แล้วการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะต้องทําอย่างนี้จึงจะไปกันรอดในแผ่นดินนี้ และนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้องเราท่านมีและสมบูรณ์แต่พวกเราที่เป็นนักการเมืองทั้งหลายไี่มีหรือยังเจ็ข้อนี้มีหรือยังรู้มีเป็นกระปริกระปลอยถ้ามีเป็นกระปริกระปอยมันก็อย่างนี้แหละประชาธิปไตยของเราก็มีอย่างนี้ไม่สมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นจึงพูดได้กันเพียงเท่านี้ว่าพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนั้นจะต้องมีดังกล่าวมาแล้วเนี่ยจึงจะสมบูรณ์แบบและอย่างประเทศนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองและจะเล่าร้อนด้วยวิกฤ ต, ตาการณ์กนะการเมืองเข้าไปก็จะกลายเป็นตั้งใจไปเพื่อจะคดโกงแล้วก็เกิดวิกฤ ต, ตาการณ์ขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรอให้ใครมาแก้ไขนอกจากพวกเราเอง เราจะต้องพัฒนากันอีกนานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นมันเปิดโอกาสกว้างคือเรื่อว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนของเพื huh. ่อประชาชนเป็นการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนหรือจะเอาอะไรมาก็แล้วแต่จะเวียนว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนหรือว่าโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนและประชาชนนั้นเป็นประชาชนฉันิดไหนถ้าประชาชนนี่ไม่มีคุณภาพขาดคุณธรรมเลือกเอาตามใจ คนนี้ให้เงินเลือกคนนี้แต่คนนี้จะเลวระยย้ำตาบอลจะกินบ้านโกงเมืองขอรับชั่นจะเป็นใครมาก็ช่างข้าพเจ้าเอาคนนี้ถ้าอย่างนี้การปกครองโดยประชาชนที่โง่ๆแล้วก็เพื่อประชาชนที่โง่ๆของประชาชนที่โง่ๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนที่วันโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนมันจะต้องพัฒนาประชาชนของเราให้เข้าใจหลักธรรม จึงจะกล่าวได้เต็มปากว่าการปกครองของประชาชนที่มีคุณธรรมโดยประชาชนที่มีคุณธรรมเพื่อประชาชนที่มีคุณธรรมประชาธิที่ปไตยของเรานี่ก็จะไปลอดลิว้วแล้วก็นำความจเจริญรุ่งเรืองความสงบร่มเย็นมาสู่แผ่นดินของเราเราจะไปโทษนะักการเมืองไม่ได้ไม่ได้นักแหละเพราะว่าเราเป็นคนเลือก เพราะฉะนั้นประชาชนตาดำๆที่เป็นผู้เลือกนี้แหละจะต้องมีหลักในใจว่าเราจะเลือกโดยคุณธรรมไม่ได้เลือกเพื่อจะได้ของคนนี้แล้วเอาคนนี้มองในปัจจุบันนี้กำลังเปโลกที่มีปัญหาสังคมกําลังเกิดอาการที่เรียกว่าฤฤวิกฤตการณ์ที่เปแปลงปวดมากไม่ว่าวจะเป็น มุมโลกในกระแล้วแต่เราเห็นได้ว่าโลกในยุควิทยาศาสตร์โลกในยุคเทคโนโลยีถึง้าวไปเกกไกลเจริญรุ่งเรืองจนกทั่งกับจะรวบเอาดาวดวงใส่ไว้ในกระเป๋าจนถึงก็ต้องมาทบทวนบท บ, บาทใหม่ของโลกว่าในนี้จะต้องลดอาวุทธที่สร้างเงินมา ซึ่งถ้าเกิดมคอนมลิกต์กนมาวันใดวันหนึ่งมันจะระเบิ ด, ดตูมตาวมาทำลายโลกความปลอดภัยในโลกถ้าจะไม่มีทั้งวันนี้เราจะมองลงไปว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดมาจากอะไรนั้นเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจะพูดแบบภาษานักธรรมหรือภาษาทางศาสนาก็จะพูดแบบกำปั้นทุบดินเองเหมือนกันว่า โลกนี้ขาดแผนสิ่งที่เรียกว่าสัตว์นาหรือสิ่งที่เรียกว่าศิลธรรมนั่นเองโลกเต็มไปด้วยวิกิการท้าวอนสองครามนิรันดรไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกเป็นวิกิการซึ่งเกิดขึ้นมาในยุคที่โลกจะเรินที่สุดจะเรินจนชนิดที่เรียกว่าแข่งกับเทวดานั่นแหละ ที่นี้เมื่อจะมาพูดกันในแง่มุมแบบนะักการเมืองเราก็จะได้เข้าใจอีกเรืนหัวเป็นไปเพราะว่าการเมืองในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องในโลกนี้โลกนี้จริงยิ่งยางลำบากมากขึ้นทุกทีและเราก็จะไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นได้ย่งไรเพราะฉะนั้นคํากล่าวที่ตั้งเป็นหัวข้อว่าพุทธ พระศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก ค, <c oughs> คือจำเหาะเจาะจงไปเกี่ยวกับศาสนากับการเมืองนั่นเองว่า ม, มีส่วนสัมพันธ์กันขนาดไหนแล้วพุทธศาสนาีนมีอะไรที่เป็น c o n t r i b u t i o n คือมีส่วนช่วยเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมอะไรต่างๆ นี่เราจะมองกันในแง่การเมืองก็ได้ในแง่ศา ส, สนาก็ได้แต่คนอื่นจะต้องเข้าใจสักว่าทั้งศาสนาและการเมืองนะมันเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้หลายๆจะต้องเข้าใจอย่างนี้อะเข้าใจว่าการเมืองก็คือการเมืองศา ส, สนาก็คือศาอ ส, สนาอยู่คนละอันกันมาเกี่ยวข้องกันไม่ได้ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการเมืองนั้นเกิดขึ้นมาก็เพื่อต้องการจับให้สังคมให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขศา ส, สนาก็เกิดมาเพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้และการเมืองนั้นแหละก็เกิดมาจากบทบัญญัติของศาสน า, ศาในยุคโบราณ น, นับเป็นหมื่นปีทีนี้เรื่องว่าการเมือง เรายังไม่พูดกันไปอย่างอื่นเราอยากจะพูดกันในเรื่องของการมุงสะกดการมุงนั้นมันยุ่งย่ากลาบากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ด้วยซ้ําไปพู้ น, นักศึกษาก็ยังไม่รู้ว่าการเมุงโดยแท้จริงนั้นคืออะไรหรือเราก็คิดนึกหรือทําไปโดยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เคยแก้ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองไม่ได้ ทีนี้สำหคนทั่วไปที่ไม่เป็นนักศึกษาเป็นชาวบ้านตามธรรมดาก็ยิ่งไม่รู้าการเมืองนะั่นคืออะไรรู้แต่เพียงว่าเขาพูดกันยังไงก็เหมาเหมากันไปอย่างนั้นรู้แต่เพียงว่าการเมืองก็คือผู้แทนราษฎรผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ ง, งในทศวรรษปีและทศวรรษปีเท่นั้นซึ่งความยิงต้องเข้าใจชัดหลัการเมืองมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ แต่เฉพาะการเมืองไม่เป็นเรื่องพิเศษอืเฉพาะหมู่เฉพาะพวกเฉพาะพวกนักการเมืองไม่เกี่ยวกับชาวนาชาวไร่ชาวบ้านตามธรรมดาไม่เกี่ยวกับพระทรงองคแก้วไม่เกี่ยวกับพระศาสนาอะไรทํานองนี้มันก็เพราะว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเข้าใจการเมืองเราเข้าใจกันเป็นอย่างนั้น แต่ทั้งอย่างไรก็ได้เราอยากจะเพ่งมองไปยังปัญหาที่ว่าทั้งโลกเนี่ยไม่มีความสงบสุขก็เพราะเหตุว่าไม่มีความถูกต้องทางการเมืองมีผู้ในทัศนะของการเมืองในสายตาของนศาสนาคนหนึ่งเหตุผลเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่เราจะสนใจเรื่องการเมืองทั้งโลกนี้ไม่มีความสงบสุขกเพราะเหตุว่าไม่มีความถูกต้องทางการเมือง ที่ดีตงนี้ก็ผมควรที่เราจะสนใจกันทพื่อให้ข้อทุจริงต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรกว่าการเมืองนั้นมองกันให้ครบถ้วนและต้องเข้าใจอย่างถูกต้องแม้ว่าเราจะทําไม่ได้หรือจะทําตามอํานาจของเราไม่ได้ก็ยังควรจะรู้ไว้แน่นอนและ้ะโลกนี้เป็นแดนอุบัทว์การของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรม ไม่แตในหัวใจของเรานี่แหละเป็นสนามรบระหว่างกิเลส ก, กับคุธรรมจะกล่าวไปใหญ่ถึงโลกกว้างใหญ่ไพศาลมันย่อมเป็นอย่างนั้นโลกจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนตนลไปกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยจกกะจักรวาลแต่ถ้าเวลาใดก็ตามโลกนี้มีคนดีมากเมื่อนั้นความสงอบสุขร่มเย็นก็เกิดขึ้นในโลกมา เวลาไดก็ตามจิตใจของมนุษย์ในโลกนี้ตกต่ำช้าเลยสามไม่มีสิ่งที่เรียกว่ า, าศาสนาหรือศีลธรรมจริยธรรมเมื่อนั้นการเมืองของโลกคือการบริหารโลกบริหารองค์กรก็จะต้องตกต่ำไปที่สุดเคยเข้าใจไว้ก่อนการเมืองนั้นมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะยิ่งถ้าเราเป็นชาวพุทธ เรายิ่งจะต้องมีทำค ว, ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้หัวการเมืองมันเกี่ยวกับธรรมะเท่าไรการเมืองนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับชาวพุทธมากเท่านั้นพุทธบริษัทของเรานี่จึงได้ตั้งหัวข้อสำหรับที่พูดกันในวันที่เราควรจะตั้งปัญหาขึ้นมาตรงๆว่าชาวพุทธหรือพุทธบริษัท ควรจะสนใจเรื่าเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเหตุไรตลอดไปทั้งว่าสนใจอย่างไรและเพียงไรด้วยถ้าเรารู้จักสื่อเรื่องาการเมืองอย่างถูกต้องเราก็จะตอบได้เองทันทีว่าเพราะเหตุไรเราจึงต้องสนใจการเมืองในนี้เรื่องจะ ย, ยังไม่รู้หรือไม่รู้อย่างถูกต้องในสมบูรณ์มันก็ต้องพูดแลพูดพร้อมกันว่า การเมืองนั้นมันคืออะไรธรรมะนั้นมันคืออะไรและเราชาวพุทธจะสนใจเพราะเหตุใดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทมาพูดถึงตรงนี้อันตรมาก็อยากจะอิงอาศัยพระพุทธภาษิตเป็นธรรมดาที่จะมองโดยหลักของพุทธศาสนาเพราะเราจะพูดกันในเรื่องพุทธศาสนาเกี่กับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย แต่กรณี น, นั้นก็ต้องเคลียร์พื้นที่กันด้วยก่อนเกี่ยวกับขาว่าการเมืองและก็ชาวพุทธนี่นะเราจะฟันเฟือยนั่นไปเก่าแล้วการเมืองนันจะมีรายละเอียดอย่างไรก็ตามทีจะสรุปยังไงก็ตามที่จะมีเป้าหมายมีตรงการอย่างไรก็ตามทีโดยจะเป็นสังคมนิยมหรือทุนนิยมอะไรก็แล้วแต่เถอะโดยจะเป็นประชาธิปไตยหรือราชาธิปไตยหรือรเผด็จการโดยบุคคลคนเดียวก็ตาม แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปความ ส, สั้นแล้วมันก็เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือของสังคมทั้งหมดหรือของโลกก็ได้และมุ่งหมายโดยตรงก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนอยู่กันมากๆเพิ่มมากขึ้นทุกทีเป็นปัญหาอย่างเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ในระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อยูในบ้านเดียวกันก็ต้องมีระบบอย่างนี้ในหมู่บ้านครอบครัวเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันไม่ว่าเป็นการเมืองหูด้วยกันทั้งโลกเรียกว่าเป็นการโลกไม่ใช่เรียกเป็นการเมืองหรือจะรวมเอาหมดทั้งสุริยะจักรวาลอย่างนี้อีกมนุษย์ต่างดาวอะไรต่างๆเราก็ต้องมีการเมืองใหไงั้นหรือจเอามารวมกันทั้งหมดก็เรียกว่าการจักรวาลการบ้านการเลื่อน การเมืองการโลกการเากาวานอะไรก็ว่ากันไปปัญหามันเกิดมาจากการที่ว่าเรามันสัมพันธ์กันติดต่อกันมากขึ้นคนในสมัยนี้ยิ่งการเจริญทางเทคโนโลยีระบบคอมคมนาคมมันเจริญเลยมาหาสู่กันได้ง่ายทุกเองอย่างมันเกี่ยวโยงกันมิแชลจะกไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งอยู่มากก็มัยิ่งมีปัญหามากปัญหาชนิดเนี้ย มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ด้วยกันมากคนมันต้องเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นมากขึ้นภายในบ้านหนึ่งเรือนหนึ่งมันก็มีปัญหาที่เกิดจากการที่อยู่กันหลายคนถ้าจะไม่ดีมันก็อยู่กันไม่ได้ครอบครัวเดียวกันมันก็ทะเลาะ ก, กันลูกเสาวพ่อแม่เดียวกันมันทะเลาะ ก, กันถ้าจากกัดการไม่ถูกต้องอยู่กันด้วยความทนทรมานคิดดูว่าเธอไม่ได้ในบ้านหลังเดียวหรือว่าในวัดวัดเดียว ถาพะเน่เมื่อเข้าใจกันขึ้นมาเมื่อไรเนะ่ยไม่มีสินสามัญญตาไม่มีทิฏฐิสามัญตาคือความประพฤติไม่สม่เสมอกันความรู้ความเห็นความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายในสิ่งแรกล้อมใกล้ชิดความอยู่เนะี่ยไม่เหมือนกันไม่เสมอกันเมื่อ น, นั้นมันก็ทนทรมานมันอยู่ด้กันเพลิดเพลิที่เดียวเถอะเนแต่คนในบ้านเดียวแทๆ้ๆครอบครัวเดียวแทๆ้ๆวัดเดียวแทๆนะ้ๆ ยังต้องมีการจัด ก, การทาอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องมันอยู่กันได้โดยฐาสุขนี่เราพูดกันอย่างนี้มันจะเข้าใจได้ง่ายบ้านหนึ่งก็ต้องมีระบบเรือนหนึ่งมีระบบมหมู่บ้านมีระบบตำบลมีระบบอำเภอมีระบบจังหวัดมีระบบไปจนถึงประเทศถึงโลก ที่นี้เขาว่าการเมืองนั้นมันจะหมายถึงปัญหาระดับบ้านเมืองในประเทศดังนี้ยนี่มันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ประเทศเดียวนี่ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวคนเดียวมันต้องเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวนี้มีืเรื่องเดีย ว, วจะทุกประเทศแล้วการเมืองมันก็เลยขยายออกไปขยายออกไปเป็นการโลกการเมืองของโลกนั่นเองเดี๋ยวนี้เราก็จะดูกันแล้ ว, ว่า เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าโลกมันก็เล็กข้าวแคบข้าวประวัติการไปมาหาสู่กันมันสะดวกยิ่งขึ้นเตินจะไม่มีเรืออยู่สําหรับให้อยู่โดดเดี่ยวอันนีามาเดินทางไปที่ประเทศอินเดียหลายครั้งแล้วไปที่ประเทศมอสโกที่โซเวียตกรุงมอสโกผ่านไปโน่นไปที่กรุงเวนเวียนนาออสเตรีย บินข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปฝั่งแอฟริกาทางโน่นถ้ามาเปลี่ยนที่สมัยโบราณแล้วมึงคงจะต้องเดินกันเป็นปีกว่าจะไปถึงฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางโน่นในนี่ไปวันวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่นั้นเองดีนโลกมันแคบเข้าทุกทีตัวสิ่งตัวอย่างมันถึงกันหมดทุกคนทุกแห่งในโลกมันก็เลยเลื่องกันหมดและจะเห็นไในวัดแต่และประเทศมีความมุ่งหมาย ที่จะเกี่ยวข้องกันเราจึงตั้งทูตของตัวประจำในประเทศต่างๆทูตประเทศในโลกทีเดียวแล้วก็พยายามกระทำกันอยู่อย่างนั้นนี่อยากจะพูดเลยไปหน่อยวัานานานไปในวันข้างหน้านู่นจกกนกระทั่งมันมีความสามารถไปยังโลกอื่นซึ่งกำลังแสวงหาดาวอังคาราโลกอื่นอะไรต่ออะไรต่อไปนีมันก็จะเป็นจักรวาล น, นี้ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกั น, กนไปมาเหมือนว่าเล่น มันก็จะกลายเป็นหา ป, นปัญหาจะเกาวานขึ้นมาทันทีซึ่งก็จะยุ่งยากลําบากมากยิ่งกว่าที่กาลังเป็นเด็กเด็กนี้เพราะจะนั่นความหมายของการเมืองควรต้องเนื่องด้วยธรรมะนักภาษาศาสต ร, ร, ร์นักนรุตติศาสตร์แม้แต่พวกนักการเมืองเองก็ที่บายความหมายของการเมืองว่าอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างอย่างโน้นบ้างบางอย่างก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่พอจะจับใจ ค, ความองกันไในว่า เอหมายถึงการจัดการทําให้คนที่อยู่ด้วยกันมากๆนั้นน่ยอยู่กันด้วยสันติสุขด้วยความสงอบสุขอย่างแท้จริงนี่คือความหมายของขอกรรมการเมืองที่ถูกต้องและบริสุทธิ์แต่ถ้าความหมายของการเมืองมันเปลี่ยนไปไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์มันก็กลายเป็นคดโกงเหมือนอย่างที่กําลังเป็นอยู่ในเวลานี้เรื่องการเมืองก็เลยเป็นเรื่องคดโกงเรื่องเอาเปรียบกันเป็นเรื่องการฆ่าระหว่างคนหมู่มากนั่นเอง ผู้ไว้ก็ต้องขอตรงอบัตไว้ตรงนี้อีกด้วยว่าจะให้กระทบกระเทือนกันทีแรกเราทําท่าไว้จะดีนะจะทําจะช่วยกันปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการให้ทุกคนในโลกนี้อยู่กันอย่างผาสุกแต่พอทำเข้าไป ย, ยิ่งมันกลายเป็นเครื่องมือสําหรับคดโกงซุ่มกันอะกันเอาเปรียบผู้อื่นจะทําให้เป็นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจะพวกของตัวเองเอาเปรียบผู้อื่นได้ลงองคอการเมืองก็เลยกลายเป็นเรื่องสกปรก ที่ที่เรามองดูอีกทีหนึ่งว่าการเมืองอย่างบริสุทธ์ก็ดีการเมืองอย่างสกปรกก็ดีก็ยังต้องเนื่องกันอยู่กับธรรมะคือพระธรรมนั่นแหละถ้าการเมืองบริสุทธ์ก็เป็นไปตามธรรมเนื่องอยู่กับธรรมะเพราะประกอบไปด้วยธรรมยี่งนี้าการเมืองสปกปรกมันก็ไม่มีธรรมะมันขาดธรรมะมันก็เนื่องกันอยู่กับธรรมะในข้อที่ว่ามันขาดไปเสี่ยงมันผิดไปเพราะฉะนั้นเข้าใจไว้ตรงนี้ก่อนว่าวันนี้ ถ้าให้พะพูดเรื่องการเมืองในพุทธศาสตร์ปัญากัวการปกครองโดยรัฐบาลชาติปี่วาต่เนี่ต้องเข้าใจเพราะการเมืองนี่ต้องเกี่ยวด้วยธรรมะการเมืองบริสุทธิ์ถ้าไม่มีธรรมะมันจะเป็นการเมืองส ก, กับปอกเท่าที่พูดมานี่พอที่จะสรุกเอาใจความได้ว่าเรื่องมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องที่เราเรีบไม่ได้เพราะเราก็เป็นมนุษย์และเรื่องของโลกเราก็เรียไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งในโลก แล้วเรื่องของประเทศเราก็หลีกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพ ล, ลเมืองคนหนึ่งของประเทศเรื่องของสังคมเราก็ลีกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งในสมาชิกหน่วยหนึ่งของสังคมแม้จะในหมู่บ้านนี้เราก็เป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้แต่ทั้งในวัดนี้กับทั้งในเรือนของท่านแต่ละคนนั้นนะมันเป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ที่จะไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบต่ออะไรต่อที่มันเกิดขึ้นในนั้นฉะนั้นพุทธบริษัทก็ต้องมีน้ําใจอย่างกับชาวพุทธบริษัท รู้จักรับผิดชอบต่อบ้านเกิดเมืองนอนต่อสิ่งที่ตนเองอยู่ประเทศชาติบางทีจะต้องรู้จักกระดันดูกระตาเวทีต่อสิ่งที่มันมีประโยชน์แก่เราหรือว่าเราได้อาศัยมาก่อนแล้วถ้าพูดอย่างชาวพุทธก็ต้องพูดด้วยว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เราเพราะว่าเราได้เกิดมาในโลกนี้ต้องกระดันดูต่อมันต้องช่วยให้มันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ได้มีความกระดันดูเรื่อ พุทธศาสนาไม่ยอมรับไว้ในความเป็นคนดีเพราะเลยพุทธศาสนาประกาศต้องออกมาว่ามิมิตังสาธุรูปานังจะเต็มอยู่กับเวทิตตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีในทางพุทธศาสนาเราอยู่ในโลกไม่รู้จักบุญคุณโลกอยู่ในประเทศไทยไม่รู้จักบุญคุณประเทศไทยและจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืงองมันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้ก็เป็นว่าใช้ไม่ได้ทีเดียวเป็นคนดีไม่ได้ ทีนี้เรามันลองพิจารณาการเมืองที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ให้พระสงฆ์ดําเนินการอย่างไรเอาทีนี้จะพูดถึงพุทธภาษิตอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อตกี้นี้ว่าเราเป็นพุทธบริสต์จึงต้องอิงอาศัยในพระพุทธภาสิตเป็นหลังอยู่เสมอพุทธภาษิตเกี่ยวกับพระองค์เองก็มีอยู่มากมายหลายแห่งทั่วไปอย่างเช่นเขำว่า แต่ทาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนของสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ใจความเรื่อยเป็นอย่างนี้ไม่ได้พูดตรงตามตัวหนงังสือในความหมายอย่างเล็ดในผู้สลบมาด้วใจความว่ต่ทาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์คอยเราทั้งหลายนึกถึงเทวดาและมนุษย์ในความหมายที่พอจะมองเห็นได้ในความหมายที่มองเห็นไม่ได้นั้นก็ฝากไว้ซะก่อนยกไว้ก่อนก็แล้วกันก อยู่บนสวรรค์อยู่บนวิมานอยู่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโอปปาติกะเกิดขึ้นมานะที่เรายังมองไม่เห็นฝากไว้ก่อนแต่เรามามองในสิ่งที่จะพอมองเห็นควาว่าเทวดาและมนุษย์ในความหมายที่พมจะมองเห็นได้นี้หมายความพวกเทวดา น, นั้นก็คือพวกที่ไม่รู้จักเครื่อพวกมนุษย์ก็คือพวกที่มันต้องอาบเปื่ออยู่ตลอดเวลา หมายความาพวกหนึ่งสบายนั่งอยู่ในห้องแอร์ทํางานอยู่ในห้องแอร์นั่งรถเก๋งติดแอร์ติสเตริโอฟิลมกองแสงอยากอยู่อยากกินอะไรยกหูโทรศัพท์สั่งได้กินทันทีอย่างเงี้ยพวกหมันคุ้นเคยกับเพื่อคือพวกมนุษย์หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต้องทํางานตั้งแต่เช้ายันเยน็นปากตัดตีนทีบาแบคลังนุ่นแต่มีความซื่อสัตสุจริตคนนั้งสองพวกนี้ย อยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันอยูอย่างคือต้องมีธรรมะจึงจะอยู่เป็นพระสุขได้อย่าอวดดีไปว่าไม่ต้องออกเงืออยู่ในห้องแอร์อยู่จนเป็นสุขแล้วไม่ต้องมีธรรมะ <c oughs> มันมันจะต้องมีธรรมะมาเกื้อนกันถ้าอย่างนั้นจะไม่มีความสุขไม่ได้อยู่ในห้องแอร์มีเงินเป็นหมื่นล้านเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงท้าทายไว้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่พวกเทวดาและมนุษย์ซึ่งหมายก็ว่าทั้งเทวดาและมนุษย์นั้นยังมีปัญหา จะหลงไว่าเป็นเทว ด, ดาลแล้วจะหมดปัญหาแล้วมีความสุขถึงที่สุดไม่มีทุกข์อะไรเลย <c oughs> ทีนี้ทั้งเทว ด, ดาและมนุษย์เนี่ยมันจะมีปัญหายังต้องการธรรมะใช้ั้งคนในโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่าสองขั้เนี่ยคือพวกที่รู้จักเขื่อกับพวกไม่รู้จักเขื่อผู้ภาษาชาวบ้นธรรมดาบันดาให้ฟังทีเดียวพุทธบริษัทจะต้องาากระโจคือทั้งคนรวยและคนถลจน ผู้ถบรัษวททั้งหลายต้องสนใจการเมืองในทางนั้นที่ร่วมกันแก้ปัญหาพอเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ยังมีพุทธภาษิตอีกพวกหนึ่งซึ่งลดระดับลงมาเพราะพุทธเจ้าให้ว่าบุรุษอาชนายัยเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชนหมายความไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อมหาชนบางทีก็ขยายออกไปทั้งเทวดาและมนุษย์ ในบุรุษอาชาในานี้ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวใครก็ได้ถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาระดับสูงสุดก็เรียกว่าอาชาในาเขาเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่มหาชนแล้วเรื่องมันก็ต้องไปในเรื่องของสังคมอย่าเขาจะว่าอาชาในาแล้วหมายถึงว่าต้องเก่งเกงเตปดีดดังดังวันหนึ่งหลายยกหิ้งเพราะคนละเรื่องคนละเรื่องไว้เข้าใจสู้ทังวันยังไงอย่างนั้นนึ่งไม่เอานะนะไม่ใช่อาชาในาในทางผู้สัตว์นะ ที่คุณพระาทาสสังคมซึ่งไม่พ้นไปจากเรื่องการเมืองแต่ก็ต้องเป็นการเมืองที่บริสุทธิ์และประกอบไปด้วยธรรมะตอนทีนี้มาลองหันดูอีกทีหนึ่งพุทธภาษีที่ตัดถึงประโยชน์อัตถังหิสัมปัสมาเนนะอัลเมวะอั ป, ปมาเทนะสัมปะเทตังแปลว่าเมื่อเห็นประโยชน์ตนก็ทําประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความเมตประมา เมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นทั้งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นก็จงพึงทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ก็คือให้นึกถึงผู้อื่นด้วยเสมอไปคือนึกถึงทุกคนนั่นก็คือเรื่องปัญหาทางการเมืองคือปัญหาร่วมกันของสังคมนั่นเองและจะต้องช่วยกันปลดปื้งทีนี้ยิ่งไปกว่านี้มันก็ยังมีข้อความ บางประเภทที่ตรละว่าธรรมะเนี่ยตัดเพื่อให้ช่วยกันรักษาเข้าไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกื้อกูลทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เช่นเรื่องพธิปักขียาธรรมสามสิเจ็ดประการเป็นต้นที่นี่เราก็จะไม่ได้พูดให้มันละเอียดลงไปในสิ่งเรานั้นแหละมันเยอะแยะสรุปอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธภาษิตซึ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้นนีมมากขอให้สรุป ข้อความทั้งหมดนี้อยู่ในรูปพุทธภาสิตแล้วก็ให้ตนัางลายพี่นานดูว่าท่านประสงค์ให้ถือเอาประโยชน์ของโลกทั้งโลกทั้งของเทวดาทั้งของมนุษย์ไม่ต้อว่าทั้งของคนรวยและคนจนอย่าเพื่อตนพวกเดียวเท่านั้น อย่างเช่นท่านส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกท่านก็บอกว่าเจริญธรรพิคเวจาริกังพรมเจริญอย่งประกาศเสถาหุชนะอิตายาหุชนะสุขายะโดยก่อนพิสูจนหลายจงหลายจึงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกอกูลแกมหาชนแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหมด น, นั้นก็หมายถึงการเมืองนั้นแหละเหมือนกัน ทุกคนเราจะต้องมาทำความสนใจการเมืองเป็นนะว่าไม่ต้องคู่กันให้มากแล้วเรื่องนี้เสียเวลากันมามากแล้วเนี่ยสรุปได้เลยว่าทุกคนต้องหวังดีต่อโลกต้องช่วยแก้ปัญหาในโลกและสิ่งนึงก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าการเมืองคเข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนถ้ายังไม่เข้าใจก็คิดให้ลึกลงไปว่าบ้านนึงเราจะ็นจะต้องแก้ปัญหาในบ้านนะคือในครอบครัวเราเนี่ยจะไม่รับรู้ไม่ได้ระหว่างพ่อแม่พี่น้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องรับรู้ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ปรมาณขยายออกมาถึงหมู่บ้านถึงตำบลถึงอำเภอถึงจังหวัดถึงประเทศนั่นนหละทีนี้เราจะต้องสนใจการเมืองที่บริสุทธิ์คือจะต้องมีธรรมะอย่า ม, มุ่งหมายเอาเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนถ่ายเดียวเมื่อผู้อย่างนี้แล้วพุทธศาสนาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียวกว่าการเมืองเพราะมันมีเป้าหมายอันเดียวกันการเมืองเกิดมาเพื่อจัดสังคมให้มีความสงบสุขความร่มเย็นแก้ปัญหาของสังคม ราร้เกิมาก็เพื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพูดกันอย่างนี้แล้วก็คงจะเข้าใจคงจะต้องเข้าใจแล้วทีนี้ก็จะขอเลยเลยไปเลยเพื่อจะเป็นการประหยัดเวลาอีกด้วยว่าวันนี้เราพูดกันในเรื่องพุทธศาสตร์ตนานกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเน้นไปที่พุทธศาสตร์ตนาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย บางท่านอาจจะนึกเพียงในใจว่าทำไหมพุทธศาสนาจึงจะต้องมางเกี่ยวข้องกับการเมืองระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวเท่านี้หรือความจริงนั้นถ้าเราจะมองในอดีตในประวัติศาสตร์ของพระาศาสาดาองค์สุเด็จสมาสมพุทธเจ้านี่เพราะองค์เป็นนักการเมืองและในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ระบบการปกครองทั้งระบอบประชาธิปไตยและระบอบปกครองโดยราชาธิปไตยบุคคลผู้หนึ่งผู้เดียวปกครองเนี่ยมันมีมาแล้วอย่างเข้มข้นในสมัยนั้นเราทังไหนจะมาตื่นเต้นว่าประชาธิปไตยเพิ่งจะมีในยุคของเราหรือจะเพิ่งจะมีในประเทศไทยพอรอยสองพันสีร้อยเจ็บห้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ความจริงในสมัยพุทธยาคมีมานานมีมานานในประเทศอินเดียทุกวันที่เราเรียกว่าอินเดีย หรือชมพูทวีปนะมีประเทศต่างๆอย่างน้อยสิบหกประเทศก่อนที่จะมากลายเป็นประเทศเอินเดียในจานวนสิบหกประเทศเนี่ยคือพวกอังคามกทะกาสีโกสลวัตชีไปจนถึงคันธาระกรรมโพชะนี่มันเยอะสิบหกเนี่ยเขามีระบบการเมืองการปกครองของเราเรียบร้อยแล้วคือมีอยู่สองระบบที่เด่นๆคือระบบหนึ่งก็คือพระเจ้าแผ่นดิน ปกครองที่เรียกว่าประชาทิปไต่อขออภัยที่เรียกว่าราชาทิปไต่สมิบุณายาสิทธิราชและพวกหนึ่งปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมซึ่งมีที่ประชุมกันแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่สันทาคารสามัคคีธรรมนี้ก็คือการปกครองกันโดยเป็นหมู่หมู่เป็นเทอมพูดง่ายๆก็คือประชาธิปไตย อีสันถาคานภาษาบาลีถึงก็หมายถึงรัฐสภารัฐสภานั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เกิดอุบัติขึ้นมาในแควนหนึ่งแควนเล็กๆแควนหนึ่งคือแควนสกตะแควนนี้ปกครองโดยระบอบสามัคีธรรมคือประชาธิปไตยมีสันถาคานโดยมีพระราชบิดาของพระองค์นั่นแหละเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลแล้วก็มีการปกครองกันเป็นเทอมนะค่อยเข้าใจอย่างนี้ พระ อ, องค์ก็ทราบซึ่งดีแหละนี้เราก็จะไม่ไม่ไม่เสียเวลาในเรื่องอย่างเนี้ทำความเข้าใจได้เลยว่าในสมัยพุทธเจ้านั้นมีการปกครองสองระบบคือประชาที่ปไตยและก็ระบบพระเดชการโดยคนคนเดียวทีนี้เมื่อพระองค์ออกบวชแล้วทรงตัทลุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเรียบร้อยแล้วก็เที่ยวจาริกไปสั่งสอนเวนยสัตว์ ไปจากแควนนี้สู่แควนโน้นจากบ้านนี้สู่บ้านนั้นและการเผยแผ่พุทธศาสตร์ศนาของพระ อ, องค์นั้นพร้อมทั้งพุทธสาวกรู้สึกได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่าพระ อ, องค์เคยเป็นพระมหากษัตริย์เคยเป็นกษัตริยเ์เขาองค์ยังเข้าใจะระบบการเมืองดีอีกด้วยการเผยแผ่ของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงมุ่งไปที่กษัตริย์นั่นแหละก่อน ถ้าแควนได้ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยจะเห็นได้ชัดเจนว่าการปดิษฐานพุทธศาสนาครั้งแรกลงเดนโลกเนี่ยพระองค์ยึดเอาแควนมคตกุงราชาคือมุงนี้ถ้าเปรียบเทียบสมัยปัจจุบันนี้ก็พอๆกับอเมริกาหรือรัสเซียคือมคตจะมีอำนาจมากมีอิทธิพลมากเป็นประเทศมาหาอำนาจในสมัยนั้นขยายขอบเขตไปปกครองบ้านโน้นเมืองนี้ จนทำให้ชมพูทวีมีรู้จักภาษามาคตภาษาบาลีดีๆพระองค์เลยใช้เป็นภาษาสั่งสอนธรรมะอีกด้วยลองลงมาจากมาคตก็คือแควยงโกสนอาําเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งพระองค์ได้ปดิษฐานพุทธศาสตต น, นาลงในมคตที่กุว่าจะคือโดยพระเจ้าพิบิศานนั่นแหละเ ป, Master, เป็นคีย์มาสเตอร์เป็นกุญแจดอกสาคัญเปิดเข้าไปสู่มวลมหาชน เห็นได้ชัดเจนว่าหลักธรรมคำสังสอนในทางพุทธศาสนานจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นี้เราเข้าใจกันใหม่ก็จะเป็นการดีเข้าใกว่าเอเรื่องพุทธศาสนานไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองการเมืองก็เป็นการเมืองศาสนานเป็นศาสนานมาเกี่ยวข้องกันไม่ได้อย่าไปคิดอย่างบ้องตื้นอย่างนั้นาศาสนาก็มุ่งประโยชน์เพื่อสังคม การเมืองก็มุ่งประโยชน์เพื่อสังคมนีเป็นอย่างที่ถ้าหากพระพุทธเจ้าของเราท่านสเสด็จจะเรื่อไปในแคว้นที่ปกครองโดยสามเครที่ทำคืออยู่กันหลายหลายคนเนี่ยังแต่เป็นเทอมเป็นรัฐสภาเนี่ยพระองค์ก็จะเข้าไปทําประโยชน์ให้แคว้นนั้นโดยหลักทำคําสั่งของพระองค์ที่ได้ค้นพบมาอย่างเรียบร้อยเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ท่ อ, องยังไม่จบอกว่าโอ้การปกครองอย่างนี้มันไม่ดีนะมันจะต้องราชาที่ปไตยพระ อ, องค์จะไม่หวังท่ อ, องก็จะบอกว่าโอ้การปกครองอย่างนี้ก็ดีถ้าปกครองกันเป็นหมู่เป็นคณะมีสันทาคารมีที่ประชุมอย่างนี้จะต้องมีทำเจ็ดอย่างเรียกว่าอภริหาริยธรรมทำอันนําไปสู่ความไม่รู้จักเสือ่อม